ช่วงเช้าวันอาทิตย์นี้เป็นวันที่เรียนเนติประกรณ์ก็ยังอยู่ในเววัจนาระถ้อยคำที่เป็นไวโพจน์ถ้อยคำที่เป็นไวโพจน์คือคำที่ใช้แทนกันได้โดยเฉพาะอนุสติเนี่ยควรคัดสรรหาถ้อยคำที่เอาไว้เจริญพูทธาอนุสติถ้าใครหาถ้อยคำเกี่ยวกับพุทธคุณได้เยอะ คนนั้นก็เจริญพุทธานุสติได้มากผู้ใดหาถ้อยคำเกี่ยวกับพระธรรมคุณได้มากผู้นั้นก็เจริญธรรมานุสติได้ดีผู้ใดเข้าใจความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เท่าไหร่ก็สามารถที่จะเจริญสังคานุสติได้มากใครที่รู้คุณรู้ประโยชน์รู้อ น, นิสงส์แห่งศีลเท่าไหร่เขาก็เจริญศีลานุสติได้มากผู้ใดให้ทานไว้มากผู้นั้นก็เจริญ จาระนุสติได้มากนะซึ่งอนุสติทั้งห้าประการในเนติปกรณ์ที่ยกมานะอันหนึ่งออนุสติที่หนึ่งคือพุทธานุสติที่สองธรรมานุสติอนุสติที่สามก็คือสังขานุสติสี่สีลานุสติห้าจาระนุสติน่าจะยกเอาเทวตานุสติมาด้วยนะหรือไม่กล้าคิดก็ พูดถึงเทวตานุสตินิดหน่อยก่อน น, นะค่อยจะต่อจากานุสตินี่นะเพราะว่าผู้ที่ระลึกถึงเทวตานุสติระลึกถึงคุณความดีของเทวดาว่าเทวดาทั้งหลายที่เช่นเทวดาชั้นจารุมเนี่ยนะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีล ส, สุตะจาขะปัญญาคือท่านเหล่านั้นมีคุณธรรมคือศรัทธามีคุณธรรมคือศีล มีคุณธรรมคือสุตตะจาคะปัญญาท่านจึงได้เกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมผู้ที่เจริญนั้นก็น้อมมาดูคุณธรรมว่าศรัทธาเราก็มีอยู่นะ น, น, นเราก็มีอยู่สุตะเราก็มีอยู่จาคะเราก็มีอยู่ปัญญาก็มีอยู่ผันเอาเทวดาชั้นจาตุมในฐานะเป็นพยานว่ายังไงเราก็มีคุณธรรมเช่นเดียวกันกับเทวดาชั้นจาตุม ปัญจค า, านุสเทวตานุสติไม่ได้แปลว่าอ้อนวอนขอพรเทวดาไม่ใช่แต่หมายถึงเปรียบเทียบคุณธรรมโดยยกเทวดานี้เป็นพยานเทวดานี้เป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปทันการที่เราเอาเทวดามาละลึกเราคงหลอกเทวดาไม่ได้ใช่ไ ห, หลอกมนุษย์ด้วยกันยังพอทำได้แต่จะหลอกเทวดานี่จะหลอกไว้ยังไงเพราะฉะนั้น การเจริญอย่างนี้เนี่ยประกันถึงว่าเราแน่ใจเรามีความสะอาดใจมีความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงว่าเราเป็นผู้มีศีลศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาค่ามีปัญญาเทวดาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีเป็นต้นท่านเหล่านั้นมีคุณธรรมเช่นใดแม้เราก็มีคุณธรรมเช่นนั้นนะการบอกว่าท้าสกะเเปียวว่าท้าสกะมีศรัทธาเช่นใดเราก็มีเช่นนั้น่กัน ถ้าถ้ายางนี้ได้ก็แสดงว่าสุขติสุขติสุขติไปดีไปดีปดสุขเนี่แปลว่าย่อมไปดีนะสุขโตก็คือผู้ไปดีแล้วเนี่ยนะถ้าสุขเตพบก็คือพบที่อยู่ดีไปดีานั้นนะแล้วก็ลองเจริญเจริญดูนะว่าเทวดาทั้งหลายเขามีคุณธรรมดังที่กล่าวไปแม้เราก็มีคุณธรรมเช่นนั้น นี่มาดูจาคานุสติในเนติปกรณ์หน้าเจเห็นว่าถ้อยคำคำไวัยพ์ที่ท่านกล่าวไว้ในจาคานุสตินิเทศฉันได้ว่าในสมัยนั้นอริยาสาวกโกพระอริยาสาวกคืออริยาสาวกเนี่ยโดยสัพ์อริยแปลว่าผู้ประเสริฐหรือไม่ใช่ปุตชนะนะสาวกก็คือผู้ได้สดับทาทำกิจในอริยสัจ เป็นพระโสดาบันพ่านความที่ท่านเหล่านั้นได้ฟังอริยสัจทำกิจในอริยสัจเป็นพระโสดาบันเป็นต้นท่านจึงเรียกว่าอริยสาวกก็คือพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอริยะทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมุตตจารโครเป็นผู้มีการบริจาคด้วยการสละมุตตานี่ก็คือโดยสำหแับว่าปล่อยใช่ไหมจารคาก็สละมุตตาก็คือพ้นออกไปจารคาก็คือการบริจาค บริจาคแบบพ้นไปแล้วพ้นแล้วพ้นเลยไม่ใช่ไปติดข้องภัวพันในวัตถุที่ที่ได้ให้ไปคือให้แล้วให้เลยร่ว่ามุตตจาคูถ้าพูดถึงอย่างในคาถาธรรมบทเนี่ ย, น, ยนึกถึงเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนนี้นี่เขาสร้างสร้างกุฏิถวายพระพุทธเจ้า ทีนี้เศรษฐีสร้างกุฏิที่แบบหลังที่ตัวเองชอบที่สุดรักมากถวายเป็นพุทธบูชาอุทิศแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ในกุฏิอันนี้นี่มีอยู่วันหนึ่งเศรษฐีเนี่ยเดินไปทุระต่างบ้านระหว่างทางก็ไปเห็นไอ้ค น, น, น, น, ารารนเนี่ยนอนศาลาริมทางเนี่ยเนเท้าเปื้อนโคล น, เ อ, ปปนเอาผ้าปิดหน้าเอาผ้าปิดหน้าเศรษฐีเห็นปั๊บก็เลยบอกเอ้ยคนนี้หากินกลางคืนนี่ ก็แปลเป็นภาษาไทยว่าไอ้นี่ลักเล็กขโมยน้อยกลางคืนไอ้เจ้าคนนั้นเนี่ยพอได้ยินเสียงปั๊บก็ตื่นตื่นบอกลืมเปิดผ้าดูไขวะมาว่าเราได้ยังไงเนี่ยโทสะก็กำเริบขึ้นผูกพยาบาทเลยชาตินี้ถ้าสร้างความเสียหายให้กเกษตรทีไม่ได้คงตายนอนตายตามไม่หลับว่ากันเนผูกพยาบาทมาก หลังจากนั้นเนี่ยก็สืบทราบว่าเศรษฐีนี่อยู่ที่ไหนบ้านเป็นใครอะไรยังไงสืบทราบเบ็ดเสร็จก็เลยไปเผานาเศรษฐีเนี่ยเจ็ดครั้งเผานามีนากี่แปลงที่เกือบจะเกี่ยวข้าวก็เผานาไปสะกเจ็ดรอบก็ถ้านาข้าวที่ใกล้จะเกี่ยวเนี่ยนะใบมันแห้งเมื่อใบมันแห้งจุดไฟนี่มันติดเร็วแล้วก็ก็ยังไม่หายแค้น เ, เศรษฐีก็ยังอยู่ดีมีสุขไม่หายแค้น ก็เลยเข้าไปในคอกวัวเศรษฐีสมัยก่อนเขาเลี้ยงวัวเยอะเนี่ยนะเข้าไปในคอกวัวเขเอามีดเนี่ยไปตัดไอไอเอ็นวัวที่ที่แข้งไอที่ที่คล้ายๆกับอที่เท้าของเรามันจะมีเอ็นตัวหนึ่งเอาไว้ยกขึ้นยกลงใช่ไหมไปเดินเนี่ยนะดึงขึ้นดึงลงอ่ะเอามีดเนี่ยไปตัดเอ็นเอ็นวัวเนี่ยตัดตัดตัดตัตตัดในคอกไปหลายคอกเลยกันก็ยังไม่หายโกรธโอ้ยแคร์จริงๆ เส็จแล้วก็ไปสืบว่าไอการที่จะทําลายอีกฝ่ายหนึ่งได้สะใจที่สุดมันจะต้องไปทําลายของที่เขารักที่สุด น, นะก็เลยอะไรเนาะเศรษฐีรักที่สุดในชีวิตเศรษฐีนี่แกรักอะไรที่สุด ร, รู้ว่าโอรักกุฏิพระพุทธเจ้าเพราะสร้างกุฏิพระพุทธเจ้าเฝ้าเข้าไปอุปถักเช้าเย็นเช้าเย็นไปดูแลกุฏิอยู่นั่นแหละก็เลยถ้าเผากุฏิเศรษฐีได้คงจะมีความสุขนะนะี ก็บอกว่าผูกเวรถึงที่สุดก็เลยควางแผนเผากุฏิพระพุทธเจ้าเพื่อประทุษร้ายใจเศรษฐีทีนี้เวลาไหนที่จะประทุสร้ายเผากุฏิได้ดีที่สุดยัมว่าเวลาไหนเวลาพระไปบิณฑบาต <c oughs> ไม่มีใครอยู่วัดโล่งหมดเลยตอนเช้าเช้านี่นะเช้ า, เ ช, า, เ, ชาเช้านิดหนึ่งครับไม่มีใครอยู่วัดหรอกโจรเขานิยมไปขโมยไปอะไรแถวๆนั้นะช่วงพระไปบิณฑบาตนี่แหละก็เลยเข้าไปทีนี้ ผู้ที่วางแผนเพื่อจะเผาจริงๆเนี่ยก็ต้องไปทุบโอ่งน้ำที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนเนไะเครื่องมืออุปกรณ์ดับไฟเนี่ยทุบให้หมดแล้วก็วางเพลิงเผาพระคันทุ ก, กุตีไฟก็วายวอดหมดเผากุตีสักเลี่ยงเลยนะกุตีไม้แก่นด้วยนะะเอาไฟลงไปดีๆเนีย่ยโอ้ติดดีนักแลยเสร็จแล้ว ก็มีคนไปแจ้งข่าวเศรษฐีว่าเศรษฐีตอนนี้กุฏิที่ท่านสร้างถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถูกไฟเผาเรียบไปหมดแล้วอ่านะถ้าเราเป็นเศรษฐีเราจะทํำยังไงนะร้องไห้โฮเลยใช่ไหมอุตส่าห์ทำถวายพุทธบูชาเสียอกเสียใจนี่นะเสียใจเลยใช่ไหมอ่านะอันนั้นก็ไม่ใช่ลักษณะของพระอริยาสาวกลักษณะของพระอริยาสาวกเนี่ยท่านดีใจตบมือดีใจบอกโอ้ท่านเศรษฐีท่านเป็นบ้าไปแล้วหรือไง ได้ฟังข่าวร้ายอย่างนี้ท่านยังดีใจตกมืดออ ก, ก็บอกว่าบุญที่ได้ทำไปแล้วเนี่ยนะกุฏิที่ได้ทำถวายพระพุทธเจ้าไปแล้วบุญของเราก็สำเร็จไปแล้วเอา้าททำบุญเราก็ได้บุญไปแล้วใช่ไหมบุญนั้นสำเร็จไปแล้วบุญที่ทำลงไปอุทิศแก่พระพุทธเจ้าบุญเหล่านั้นไฟก็ไม่มได้น้าก็ไม่ท่วมโจนก็ปล้นไปไม่ได้เพรา ะ, ะบุญที่เราปลูกฝังบุญที่ทากับพระพุทธเจ้า เป็นบุญที่สําเร็จแล้วที่ข้าพเจ้าดีใจคือดีใจว่าจะได้ทําหลังใหม่อีกครั้งนะนะดีใจจะทําให้มันดีกว่านี้อีกเหมนกันแล้วก็เลยทําบุญสร้างกุฏิหลังใหม่ขึ้นมาพอสร้างกุฏิหลังใหม่เสร็จก็ฉลองทําบุญถวายพระพุทธเจ้าฉลองกุฏิไอ้โจ้นี่มันก็ยังไม่หายแค้นนะแค้นจริงๆเลยคู่เวรกันมาชาติปังไหนไม่ทราบนะแต่รู้ว่าแค้นอย่างเดียวถ้า คิดครั้งสุดท้ายว่าถ้าฆ่าเศรษฐีไม่ได้ชีวิตคงไม่เป็นสุขทีนี้คิดฆ่าแล้วตอนแรกคิดทํำลายทรัพย์สินตอนหลังคิดฆ่าก็เลยวันฉลองกุฏิเนี่ยนะแกก็เน็บมีดไว้ในเอวละถ้าเศรษฐีพูดคําใดคำหนึ่งจะฆ่าเลยทีนี้ตอนที่ถวายอาหารพระพุทธเจ้าถวายพระคันตะกุฏีก็เล่าถวายพระพุทธเจ้าว่า มีคนคนหนึ่งเขาผูกเวรกับข้าพระองค์เผานาไปเจ็ดครั้งตัดตัดขาโคในคอกไปเจ็ดครั้งนี่ก็ยังไม่สะใจมาเผากุฏิแก่พระองค์ด้วยบุญที่ทําทั้งหมดเนี่ยขอยกให้เขาก่อนอ น, นะขอยกบุญอันนี้ให้แกโจรคนนั้นอ่ะอ น, นะโอ้ยเจ้าคนนี้เนี่ยพอฟังคํานั้นก็เสียใจมากทํากับผู้มีคุณครั้งนี้ฟ้าผ่าแน่มาเริ่มรู้ดีรู้ชั่วโอ้เราทํากับผู้มีคุณขนาดนี้เลยหรือ ก็เลยเข้าไปขอโทษท่านเศรษฐีบอกท่านเศรษฐีครับผมขอโทษด้วยครับบอกมันเรื่องอะไรกันก็เล่าว่าข้าพเจ้านี่แหละเป็นคน ท, ทำลายทรัพย์สินของนั่นทั้งหมดเสรวบอกเออเราอดโทษให้ขณะเดียวกันโทษอันใดที่เรามีอยู่เราก็ขอโทษเจ้าด้วยนะบานท่านเศรษฐีถ้าท่านอดโทษให้ข้าพเจ้าท่านรับข้าพเจ้าไปเป็นคนทํางานที่บ้านด้วยสิ บอกโ อ, โอไม่ได้เราพูดแค่นี้มันยังเสียหายขนาดนี้นะเอาไปอยู่ในบ้านจะขนาดไหนบอกครั้งนี้ก็พอแล้วท่านยงไปตามทางของท่านเถอะเราให้อภัยแก่ท่านทั้งหมดนะทีนี้ย้อนกลับมาว่าผู้ที่เจ้าคนนี้ก็ตกนรกพุทธันดอนหนึ่ง ก็มาเกิดเป็นเปรตถูกไฟไหม้อะนะทุกวันไม่รู้ไฟดับบ้างหรือยังก็ไม่ทราบนะสมัยพระโมคคัลลานะยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไปเห็นเปรตตัวนี้อยู่เปรตที่ถูกไฟไหม้ลามไปหมด น, นนะก็ด้วยเผาพระคันตกุติไปเผาเผาทําอะไรไม่ทําไปทําเผากุติพระพุทธเจ้าผู้ไม่ประทุสร้ายในโลกนี้นะไอการทําบาปแล้วทําบาปแล้วบาปมากที่สุดก็คือไปทําบาปกับผู้ที่ไม่ประทุสร้ายตอบ ผู้มีคุณอย่างเช่นพ่อแม่เป็นต้นยังไงท่านก็ไม่คิดประทุสรายเราอันการที่เราไปทำบาปกับท่านเหล่านั้นจึงมีบาปมากทำบาปกับพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ลักษณะเดียวกันสรุทวนมาว่าพระอริยาสาวกเนี่ยก็เช่นกับเศรษฐีที่ได้กล่าวไปบุญใดที่ทำไปแล้วบุญนั้นก็เรียกว่ามุตตจารโคมุตตะมุ ต, ติอันเดียวกันนะปล่อยไปหลุดพ้นอ่ะนะพ้นแล้วจากฆ่าก็คือสละแบบพ้นไป แบบไม่มีอะไรอาวร์ไม่ได้นึกนึกเสียดายเลยไม่นึกเสียดายเลยเ่็นะยาจะโยโคเป็นผู้เกี่ยวเนื่องกับผู้ขอยาจะโยโคเนี่ยนะเกี่ยวเนื่องกับผู้ขอเขาบอกว่าผู้ขอเนี่ยนะเข้ามาบอกเรานะเขาบอกเรานะคนที่มาขอทานเนี่ยโดยเฉพาะขอทานทั้งหลายเขาบอกเราอยู่เขาบอกอะไรเราพวกขอทานทั้งหลายเขาบอกเราว่า เมื่อก่อนข้าพเจ้าก็เคยมีเช่นกับท่านนั่นแหละแต่ข้าพเจ้าเป็นผู้ตรณีเป็นผู้มีมัชชะยะห่วงแห น, น, นไม่คิดจะให้ไม่คิดจะสละไม่คิดจะบริจาคเก็บเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวไม่ประสงค์แจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นบัดนี้กรรมอันนั้นมันให้ผลแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เลยเกิดมาเป็นคนทุกข์คนยากยานะมาอดอยากดังที่ท่านเห็นนี่แหละ ขณะเดียวกันข้าพเจ้าขอเตือนท่านด้วยว่าที่ท่านมีอยู่นี้เมื่อก่อนท่านได้เคยให้ม า, านะท่านมีแล้วท่านก็ให้เพราะฉะนั้นผลแห่งการให้ท่านจึงได้มีอีกแต่ถ้าท่านไม่ให้ท่านก็จะเจริญรอยตามข้าพเจ้าต่อไปท่านก็จะยากจนเช่นข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่มาขอเนี่ยนะเข้ามาบอกเรามาบอกเราว่าที่เรามีเนี่ยเพราะเคยให้มา แต่ถ้าเราจะไม่ให้ก็ไปเดินตามรอยของเขาเ็าเรียกว่าผู้นี้รู้ยาจะโยโคแปล ว, ว่าผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอว่าผู้ขอเขาบอกอะไรเราเข้าใจความหมายของผู้ขอทันทีบรรพริย a สาวกเนี่ยท่านเข้าใจอย่างนั้นว่าผู้ที่เดือดร้อนเดือดร้อนทรัพย์สินเดือดร้อนวัตถุทั้งหลาย ซึ่งวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นถ้าใครเจริญกรรมฐานมาเยอะก็คือมหาพูทนั่นแหละคนที่เดือดร้อนในมหาพูท ด, ดินน้ําไฟลมที่เราเรียกว่าแก้วแว่นเงินทองทรัพย์สินข้าของเครื่องใช้ทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะมันเป็นของผู้มีบุญเป็นของผู้ที่เขาสั่งสมบุญไว้แล้วใครที่เดือดร้อนในสิ่งเหล่านี้ก็เพราะไม่ได้ทํามาแต่ถ้ามีแล้วมาในชาตินี้เนี่ยนะมามีสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่ให้ต่อไปไม่มีการทําบุญต่อไป นางวิสาขาท่านเรียกอะไรนะท่านบอกว่ากินของเก่าว่างั้นนางวิสาขาว่าสเสีอะไรบอกกินของเก่าว่าใครรั่วว่าพ่อผัวว่าพ่อสามีมียวันหนึ่งเนี่ยนะพ่อสามีกำลังทานอาหารอยู่ที่นี้สภัยสมัยโบราณเนี่ยต้องไปดูแลพ่อผัวก็ไปคอยดูแลบริการเสิร์ฟน้าเสิร์ฟอะไรเป็นต้นเนี่ยนะ ทีทขณะที่พ่อสามีกําลังบริโภคพระภิสษุรูปหนึ่งท่านก็เดินบินธบาตตต่อนหน้าบ้านนั่นแหละไปยืนนั้นธรรมเนียมการเดินบินธบาต์ของพระสวัยก่อนเนี่ยเขาจะไปยืนให้เจ้าของบ้านเห็นซะก่อนเนี่ยนะไปยืนอยู่หน้าบ้านนั่นแหละให้เจ้าของบ้านเห็นถ้าเจ้าของบ้านเห็นแล้วยังทําเฉยเฉยไม่รู้ไม่ชี้เป็นต้นเนี่ยนะท่านก็จะไปที่อืน่นนะนะก็จะไปยืนให้เขาเห็นอีกถ้าเขาเห็นแล้วเขาไม่สนใจเลยเขาอะไรเลยก็ไปต่อลักษณะแบบเนี้ย เรียกว่าขอแบบพระอริยะคือไม่เอ่ยปากขอแต่ไปยืนให้เขาเห็นว่าประสงค์ต้องการอาหารทีนี้วันหนึ่งอนะนางวิสาขากําลังดูแลพ่อสามีบริโภคอาหารเช้าอยู่ภิกษุเดินอุ้มบาตรไปยืนอยู่หน้าบ้านนางวิสาขาบอกพ่อนกที่สมประตูงนะั้นก็ชูชี้ให้ดูนกชี้ให้ดูไม้นะเพื่อจะเห็นพระจะได้คิดจะใส่บาตรบ้างนี น, นะ คือสมัยนั้นเนี่ยแม้แต่อาหารที่เขาบริโภคกําลังบริโภคอยู่เขาก็จะแบ่งส่วนนั้นแหละไปใส่บาตรไม่ใช่ว่าเตรียมพิเศษอะไรนะพวกที่เตรียมพิเศษเขาเรียกว่าสามีทานแต่ถ้าแบ่งกําลังบริโภคแล้วแบ่งให้ทานเขาเรียกสหายทานแต่ถ้าคล้องเลือ้อยแล้วเอาไปให้เรียกว่าทาสุทานนะเป็นเป็นอาหารประเภททาตุกรมรมกรพันการให้ทานเนี่ยวัตถุที่ให้ก็มีอยู่สามอย่างเนี่ยนะคือแบบ ให้แบบสามีคือเจ้าของก็คือเอาของพิเศษให้ไปสหายก็คือตัวเองบริโภคกําลังบริโภคก็สามารถแบ่งให้ได้เลยส่วนท่าสถานก็คือเอาของเหลือๆเนี่ยนะเป็นเศษเป็นเหลือเนี่ ย, นะยให้ไปขณะนั้นพ่อของพ่อตาของพ่อสามีของนางวิสาขาเนี่ยชี้ให้ดูยังไงก็ชี้นกก็เห็นนกชี้ไม้ก็เห็นไม้แต่ไม่ยอมเห็นพระภิกษุพราเขานับถือคนาศาสนาอยู่ นะเขานับถือลทัทธิเดร์ธีอยูน่นางวิสาขาก็เลยว่านี่มนพระคุณเจ้าไปโปรดข้างหน้าก่อนเธอเจ้าค้าว่างั้นตอนนี้คุณพ่อกำลังบริโภคของเก่าอยู่ว่างั้น <c oughs> โอ้ยโกรธแค้นมากนะไล่สะพายหนีออกจากบ้านเลยมาว่าฉันกินอุจจาระปัสสาวะได้ยังไงว่างั้นตอนหลังก็มีการสอบสวนขึ้นไอคำว่านางวิสาขาที่บายว่าที่ว่าคุณพ่อทานของเก่าไม้ถึงว่า ปัจจัยสี่หรืออาหารที่คุณพ่อได้ทานอาหารอร่อยๆดีๆประนีตอย่างนี้เป็นผลของบุญเก่าที่คุณพ่อเคยทำไว้ในอดีตแต่บัดนี้คุณพ่อเห็นผู้รับอยู่คุณพ่อก็ไม่ให้ทานเพราะฉะนั้นคุณพ่อเชื่อว่ากำลังบริโภคของเก่าขณะเดียวกันก็ไม่เอาไปทำเป็นให้เป็นของใหม่อีกต่อไปนี่ก็เหมือนกันทั้นผู้ที่ ไม่รู้ความประสงค์ของผู้ขอกับลักษณะนั้นไม่รู้ผลบุญไม่รู้ผลบาปไม่รู้ผลแห่งการให้ทานเมื่อไม่รู้อย่างนี้ก็เลยไม่ให้ทานมันผู้ที่ตนีทีเหนียวไม่สามารถจาแนกแจกแจงให้ทานได้คนในโลกจึงจึงกลายเป็นคนยากยานะกลายเป็นคนยากคนจนแล้วก็จนชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครจะไปช่วยให้รวยได้อ น, น, นรักษาความยากจนได้อย่างปกติสม่เสมอดีมากานันเ ช่วยยังไงก็ช่วยไม่ขึ้นสงเคราะห์ไม่ขึ้นไม่รู้จะไปช่วยเขาอย่างไงเพราะนั้นคนยากคนที่ยินดีในการให้ทานกับไม่ยินดีในการให้ทานในโลกนี้ใครมีมากกว่ากันนั่นแหละคนที่มัจฉริยะตนีทีเนียวมีมากคนที่ยินดีในการแจกจ่ายให้ทานมีน้อยเพราะฉะนั้นคนยากจนจึงมีมากฉะนั้นจึงไม่มีใครสามารถทำคนจนให้รวยได้จริง เพราะอะไรเพราะที่เขาทุกข์ยากเป็นผลของการมัจฉริยะของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเขามีวัตถุนพร้อมที่จะเสียหายเพราะอะไรเพราะผลของอัถินนาทานด้วยส่วนหนึ่งและผลของมัจฉริยะด้วยอีกส่วนหนึ่งทำให้มีทรัพย์สินทรัพย์สินทั้งหมดก็เสียหายไปอันพระอริยสาวกนั้นตรงกันข้ามใช่หัหยท่านเป็นประเภททานะสังวิภาฆารโตเป็นผู้ยินดีในการแจกจ่ายทาน มีความสุขในการให้ถ้าไม่ให้ไม่มีอกไม่มีไม่ได้แบ่งปันไม่ได้ให้รู้สึกไม่สบายใจเนี่ยนะเหมือนกับอะไรใครเคยทานอาหารแล้วไม่ได้ทานไม่รู้สึกเป็นยังไงก็รู้สึกหิวฉันในการให้ทานของพระอริยาสาวกทั้งหลายก็ฉันนั้นมันเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งที่ต้องทำเนี่ยนะขาดไม่ได้ดังนั้นมีความสุขในการจำแนกแจกทาน คุณธรรมสาวกนั้นอคารังอัจชวัตติแปลว่าย่อมอยู่ครองเรือนหมายถึงการครองเรือนแบบผู้ยินดีในการจำแนกนะนะยินดีในการให้ยินดีในการเสียสละซึ่งในพระไตรปิฎกก็กล่าวถึงนางวิสาขาเนี่ยนะนางวิสาขาเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ความในพระวินัยปิฎกเนี่ยนะจีวรขันตกะนะกลุ่มว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องผ้า มีอยู่ครั้งหนึ่งนางวิสาขาเนี่ยใช้ให้คนไปนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขช่วงนั้นเป็นช่วงฝนตกพอดีทีนี้พระภิกษุสมัยนั้นเนี่ยไม่มีผ้าอาบน้ําฝนเมื่อไม่มีผ้าอน้ําฝนท่านก็อาบน้ําฝนชุดวันเกิดนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่านางวิสาขาก็ใช้ให้คนเนี่ยไปนิมนต์พระที่วัดไปไปไม่มีพระเลยมีแต่นิครนมางั้นไม่นุ่งผ้าเลยเต็มวัดมางัน ทีนี้ตอนหลังนางก็ก็ให้ไปนิมนต์ใหม่กันนะท่านก็แต่ะพระพิสูจน์ท่านก็แต่ง ต, ตัวเสร็จก็เลยนิมนต์ไปฉันที่บ้านหลังจากที่นิมนต์ไปฉันที่บ้านน่นนะนางก็อาศัยเหตุการณ์อันนั้นขอพรแปดประการจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไปขอพรทาว่าขอพร น, นี่ไม่ได้แปลว่าขอโชคขอลาบเนี่ยนะขอขอให้ได้ทำบุญเหมือนกันเถอะขอทําบุญแปดประการ ก็เลยขอว่าขอให้หม่อมชันเนี่ยถวายผ้าวัสิกะสาดกแก่พระพิสุสงฆ์เนี่ยตนตลอดชีวิตคือให้ให้ได้ให้ผ้าผ้าอาน้าฝนนะนะมีโอกาสได้ถวายผ้าอน้ำฝนจนตลอดชีวิตพรข้อที่สองนางก็ขอว่าถ้ามีพระคันตุกะมาก็ขอให้ได้ให้ทานแก่พระคันตุกะจนตลอดชีวิตถ้าหากว่ามีพระพิสุผู้จะเดินทาง จากเมืองสาวัตถีไปเมืองอื่นก็ขอให้ได้ทําบุญให้ทานกับท่านเหล่านั้นจนตลอดชีวิตถ้ามีพระภิกษุป่วยไข้ขอได้ถวายขี้ลานภพัฒคืออาหารแก่พระภิกษุป่วยจนตลอดชีวิตตลอดชีวิตพระหรือตลอดชีวิตโยมตลอดชีวิตโยมไม่ใช่ตลอดชีวิตพระ <c oughs> นนะต่อไปก็พระภิกษุที่ดูแลพระภิกษุป่วยเรียกว่าขี้านุปัถก คืออุปถากคนไข้เนี่ยนะก็บอกขอให้ได้ถวายอาหารแก่พระพิสุที่อุปถาภิสุทิไขจนตลอดชีวิตแล้วก็ขอให้ได้ถวายขีลานเภสัตคือได้ถวายยาแก่พระภิสุสงในจนตลอดชีวิตแล้วก็ขอถวายข้าวต้มข้าวต้มในนะั้นข้าวยาคูก็คือข้าวต้มจนตลอดชีวิตแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ําฝนแก่ภิกษุณีสง์จนตลอดชีวิต อันนี้เรียกว่าพรแปดประการที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้นางวิสาขาทําได้ด้วยเหตุผลก็ไปอ่านเอาเองทีนี้พระองค์ถามนางวิสาขาว่าวิสาขาเธอเห็นอ น, นิสง์อะไรจึงขอพอรแปดประการต่อพระตถาคตนะทำไมจึงขอพอรแปดประการแบบนี้นางวิสาขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ จำพรรษาในทิศทั้งหลายแล้วจักมาพระนครสาวถีเพื่อเข้าเฝ้าพระองค์สมัยพุทธกาลนี้พอออกพรรษาเนี่ยนะพระภิกษุก็มาจากทิศทั้งสี่หรือทิศทั้งแปดโคโจรจาริกมาเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วจักทูลถามว่าภิกษุมีชื่อนี้มรณภาพแล้วท่านมีคติอย่างไรคือสมัยนั้นเนี่ยถ้าพระภิกษุตายรูปใดรูปหนึ่งตายก็จะมีการเข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าพบที่ไปเป็นเบื้องหน้า ของพระพิสูรูปนั้นเป็นอย่างไรนพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ก็จักพยากรภิกษุนั้นว่ารูปที่ตายนี้เป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระสกทาคามีบ้างเป็นพระนาคามีบ้างเป็นพระอรหันบ้างนก็คือได้ขาวว่าพระพิสูตายใช่ไหมพระองค์ก็จะพยากรว่าสำเร็จคุณธรรมชั้นนั้นชั้นนี้หม่อมชั้นก็จะเข้าไปหาภิกษุพวกนั้นกลุ่มเพื่อนเพื่อนของพระพิสูตที่ตาย ก็เรียนถามว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นรูปที่ตายเนี่ยเคยมาเมืองสาวัตถีไหมนะถ้าพระคุณเจ้ารูปนั้นเคยมาเมืองสาวัตถีไหมถ้าท่านเหล่านั้นจักตอบหม่อมชันว่าภิกษุรูปนั้นรูปที่ตายไปเนี่ยเคยมาพระนครสาวัตถีหม่อมชันก็จะถึงความตกลงใจในการมาของพระคุณเจ้ารูปนั้นว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นคงใช้สอยผ้าวสิกะสาดก หม่อมฉันต้องเคยถวายผ้าอาบน้ําฝนแล้วแน่ว่ากันนเนี่ยหม่อมฉันคงเคยถวายอาคันตุกะพัดแก่ท่านเพราะท่านมาเนี่ยเราก็ต้องถวายตอนรับพระคันตุกะใช่ไหมก็ได้ให้ทานแก่พระคันตุกะแน่ก่อนท่านจะเดินทางจากเมืองสาวัตถีไปหม่อมฉันก็ได้ถวายคมิกงกพัดแน่ถ้าท่านมาอยู่ในเมืองนี้แล้วท่านป่วยท่านก็ได้ฉันคีฬานพัดพัดสําหรับผู้ป่วยแน่ถ้าท่านเคยมาอยู่เมืองสาวัตถีแล้วอุปถภาพิสุป่วย หม่อมฉันก็เคยถวายอาหารแก่พระพิสุที่อุปถาคพิสุป่วยด้วยถ้าท่านป่วยไข้หม่อมฉันก็เคยถวายยาแก่ท่านหรือตอนเช้าหม่อมฉันก็ต้องเคยถวายข้าวต้มแกท่านแน่ เมื่อมอมชั้นระลึกถึงกุศลนั้นอยู่ระลึกถึงบุญที่ตัวเองได้ปลูกฝังลงไปใช่ัหมด้วยการถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายอาหารแก่พระคันตุกะที่จรมาถวายแก่พระที่กำลังจะไปถวายแก่พระป่วยพระไข้พระที่อุปถาพระป่วยหรือถวายยูกยาถวายข้าวต้มมอมชั้นก็จะระลึกถึงบุญเหล่านั้นที่ได้ทาไปความปลื้มใจก็จะบังเกิดใช่ไหม คนเนี่ยถ้า น, นึกถึงสิ่งความดีที่ตัวเองทำมันจะปลื้มใจก็ลองพูดถึงความชั่วที่ไปทามาที่พูดหนึ่งครั้งสองครั้งมันเริ่มเฉาเฉาเฉาเฉาเาไปเรื่อยจนแห้งกรอบแต่ถ้าจิตใจกำลังแห้งแรงอยู่นะเนึกถึงว่าตรงนั้นก็ทําบุญไว้ตรงนี้ก็ไปทําบุญตรงนั้นก็เจริญกุศลทานอันนั้นเราก็เคยให้บุญประเภทนั้นเราก็เคยทาวันนั้นก็ไปให้ทานวันนั้นก็ไปให้ทานณนะตรงนั้นตรงนี้นะ ปีติก็จะเกิดขึ้นความปราบปลื้มกัดใจก็จะเกิดขึ้นเมื่อมอมฉันปลื้มใจแล้วความอิ่มใจก็จะบังเกิดเมื่อเกิดความเอิบอิ่มใจแล้วกายะปัสสติก็จะเกิดเนี่ยนะกายก็สงบประงับเนี่ยนะที่ผู้การถามเมื่อวานว่าปัสสธิมันเป็นยังไงทั้นผู้ที่ให้ทานก็ระลึกถึงกุศลที่ตัวเองได้เคยให้ทานจําแนกไปนะ อย่างตัวอย่างแบบผู้การว่าก็ได้ถนนสายนั้นก็เคยไปปล่อยสัตว์มาแล้วถนนสายนั้นก็ไปให้ทานมาแล้วจังหวัดนั้นก็ไปทําบุญมาแล้วจังหวัดโน้นก็ไปทําบุญมาแล้วหลายท่านที่นี่บอกเมื่อจังหวัดโน้นก็ไปไหว้พระเจดีมาแล้วแล้วโรงเรียนนะภูเก็ตก็ไปไหว้พระธาตุมาแล้วสงขลาก็ไปไหว้พระธาตุนครราชนครศรีธรรมราชก็ไปไหว้พระธาตุเป็นต้นไร่เหรจังหวัดไหนก็ไปทําบุญมาหมดอย่างงี้ยเสบายแล้วกันนี้ พอละลึกไปอย่างเงี้ยใจก็เอิบอิ่มใจก็ปีติเมื่อจิตใจเอิบอิ่มปราโมทปีติอย่างเงี้ยกายก็สงบระงับหมายถึงจิตใจตสิก็สงบระงับเมื่อกายสงบระงับแล้วก็จกักเสวยความสุขสุขแบบนี้เป็นสุขที่ไม่มีโทษเป็นสุขที่ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นสุขที่กินเบ็ดเนี่ยนะไม่ใช่สุขที่เกิดจากการบริโภคเหยือ่อแต่เป็นความสุขที่คาย เป็นความสุขที่เหมือนกับว่าสำ r อกสิ่งที่เป็นพิษออกไปมันเป็นความสุขที่ปราศจากอามิตรเมื่อมีความสุขจิตจกตั้งมั่นอะนะถ้าพระอริยาสาวกท่านระลึกได้จนได้อุปจาระสมาธินะท่านเนี่ยเจริญจารานุสติจนได้อุปจาระสมาธิเกือบจะได้ฌานเหมือนนจิตใจสงบตั้งมั่นมากของเรานะถ้าเราให้ไม่พอ ให้ทานไม่พอลองนึกดูที่มันจะสงบหรือมันยังฟุ้งอยู่นะถ้าฟุ้งอยู่ก็แสดงว่ายัางพลาดเนี่ยนะแสดงว่าทําบุญไม่ดีเป็นแน่หรือไม่เข้าใจทําบุญเป็นแน่หรือทําบุญน้อยเป็นแน่ไอ้คําว่าน้อยไม่ใช่แปลว่าตัววัตถุมากนะหมายถึงตัวจิตที่เป็นบุญเนี่ยไม่มากจิตก็เลยไม่ตั้งมั่น เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหม่อมชันได้ให้ทานละลึกถึงกุศลนั้นอยู่เกิดความปราบเพื่มใจเกิดความเ อ, อิบอิ่มใจกายสงบจะได้เสเวยสุขจิตตั้งมั่นอย่างนี้จากเป็นอันหม่อมชันได้อ บ, บรมอินทรีย์อ บ, บรมพละอ บ, บรมพร่อบบพชงเออลึกถึงจาคานุสตินี้เป็นการเจริญโพ่อชงนะละลึกถึงการให้ทานอย่าไม่อย่าเรียกว่าไม่ใช่การอ บ, บรมพละอ บ, บรมอินทรีย์และอ บ, บรม พถามว่าเป็นอินทรพละพอดชงอะไรขณะที่ตามระลึกถึงทานที่เคยให้นั้นเนี่ยนะก็เป็นสติสัมพอดชงเพราะคนที่เจริญเหล่านี้ยังไงก็ปฏิบัติเพื่อนิพพานอยู่แล้วระลึกถึงทานที่เคยให้อันนั้นก็เป็นสติเป็นสติสติที่ตั้งไว้เพื่อการตรัสรู้ต่อไปในอนาคตสติอันนั้นก็เป็นสติสัมพอดชง เมื่อระลึกบ่อยๆแคนที่ให้ทานแสดงว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธามีกรร ม, มสกตาศรัธาเป็นต้นเนี่ยนะผู้นี้ศรัทธาก็เป็นสัตทินศรีศรัทธาก็เป็นศรัทธาภละคนให้ทานนี่เป็นคนขี้เกียจไหมโอ้ยตื่นเช้ามานะใครที่ให้ทานสายบาตตอนเช้าเนี่ยขยันตื่นแต่ดึกนะักว่าจะให้ทานได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเป็นคนภาคเพียรพยายามมันคนที่ตามระลึกถึงบุญก็เป็นคนที่มีความเพียรพยายาม พอันนั้นก็เป็นวิริยินสีของเขาเมื่อระลึกถึงทานจิตก็สงบตั้งมั่นอันนั้นก็เป็นสมาธินีของเขาเป็นสมาธินีของเขาเมื่อระลึกก็เกิดปีติปีติก็เป็นปีติสัมโพชงจิตใจก็สงบประงับไม่กวนกยอันนั้นก็เป็นปัจสัตที่สัมโพชงจิตตั้งมั่นก็เป็น สมาธิสัมโพชชงมันใครที่ให้ทานไว้เยอะตามระลึกนึกถึงฐานที่เคยให้นึกถึงบุญที่เคยได้ทำไปก็เป็นการอบรมอินทร์อบรมพระละอบรมโพชงมันกุศลธรรมเหล่านี้ตั้งความปรารถนาเพื่อตรัสรู้เนี่ยนะเป็นไปเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอรยิยสัจหม่อมชั้นเห็นอ น, นิสงส์แปดประการนี้จึงขอพร8ประการต่อพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะ ของเราถ้าใครที่จะขอพรก็ต้องขอพรแบบนางวิสาขาเยนะจะได้เป็นลูกหลานนางวิสาขา <c oughs> คนที่ขอพรเพื่อจะให้กับคนที่ขอพรอย่างอื่นนี้คนละอย่างกันนะสาธุด้วยผลที่ได้ถวายของอันนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีมหาพูทธเยอะๆอะไรก็ว่ากันไปนะไอ้ท่ายงนี้ไม่เรียกขอพรนะเนี่ย พระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาวาสาทุสาธุวิสาขาดีแท้เนี่ยนะดีแท้ก็ชมมากเลยนะ อ, อดีดีวิสาขาเธอเห็นอันนี้สงนี้จึงขอพรแปดประการต่อตาถาคตตถาคตอนุญาตพรแปดประการแก่เธอหนึ่งะถวายผ้าสาดกใช่ไหมสองถวายอาคัรตุกะพัดสาถวายคมิกพัดสี่ถวายคีลานุปถาพัตห้าถวายคีลานุปถาพัดหก็ถวาย ขิลานพัดเจ็ดถวายผ้าสาดกแก่ภิกษุณีแปดถวายข้าวต้มเนี่ยนะก็แต่ว่าอันนี้นี่เป็นบุญพิเศษที่ขอเพิ่มนะไอทำบุญเลี้ยงพระวันละห้าร้อรูปอันนี้ถือว่าธรรมดาบ้านนางวิสาขานี่เป็นเหมือนบ่อ น, น้ําของพระภิกษุเลยไปบินทบาทที่ไหนไม่ได้ชันไปบ้านนางวิสาขาเนี น, นะเพราะมีอย่างน้อยเลี้ยงพระไว้เสมอว่าวันละประมาณห้ารอยรูปเนี่ย น, นะนมากกว่านั้นก็ถือว่าธรรมดานะเสร็จแล้วพระองค์ก็อนุโมทนา อนุโมทนาก็แปลว่าตามบันเทิงตามแสดงความยินดีอนุแปลว่าตามโมทนาก็คือบันเทิงตามบันเทิงตามแสดงความยินดีเป็นภาษาคําพูดว่าสตรีใดให้ข้าวและน้ํามีใจเบิกบานแล้วแล้วก็สตรีผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้มีศีลนนะคือให้ทานรักษาศีลเป็นสาวิกาของพระสุขคตคือเป็นผู้เห็นอริยสัจ ต, ตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะ ครอบงำความตระหนี่แล้วบริจาคทานอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์เนนะเพราะการให้ทานนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดในสวรรค์ใช่ไหมเป็นเครื่องบรรเทาความโศกพั้ใครที่โศกบ่อยๆนะให้ทานบ่อยๆถ้ามันให้ทานก็จะเลิกโศกได้นะ